ส, ส, ส, ส, ส่งท้าย<อ>าการไม่ตั้งใจเว้นขาดจากการประพฤติผิดในศีลก็คือการปล่อยใจให้แกว่งไกวไปตามแรงกระทบของกิเลสเป็นบาดฐานให้ความเห็นแก่ตัวงอกเงยขึ้นส่วนการตั้งใจเว้นขาดจากการประพฤติผิดในศีลก็คือการตีกรอบไม่ให้ความเห็นแก่ตัว กำเริบเกินขอบเขตอันควรกับทั้งจุดประกายให้เห็นค่าของการลดความเห็นแก่ตัวลงได้มากพอเลิกเห็นแก่ตัวเลิอกอยากได้อะไรให้ตัวเองแบบผิดๆเราจะเป็นคนดีได้แบบไม่จํากัดแต่ในทางตรงข้ามถ้าเห็นแก่ตัวเอาแต่อยากได้อะไรให้ตัวเองท่าเดียวเราจะเป็นคนเลวแบบคาดเดาไม่ได้ว่าจะถึงขีดสุดแห่งความชั่วร้ายได้ที่ตรงไหนบางคน อุตส่าห์แต่งตัวแต่งใบหน้าแต่งน้ำเสียงให้ดูดีมีระดับมีเสน่ห์มีความน่าอบอุ่นแต่เมื่อถูกจับได้ว่าเป็นคนทุศีนก็ย่อมทําให้ผู้อื่นรู้สึกแยกกับทุกสิ่งที่ดูดีในตัวเขาทั้งหมดแม้แต่ญาติพี่น้องในตระกูลเดียวกันก็อาจพลอยฟ้าพลอยฝนถูกมองเหมารวมว่าเลวสามตามไปด้วยผู้ตั้งมานอยู่ในความเป็นคนทุศีลย่อมได้ชื่อว่าอยู่ในโลกมืด ถึงฟ้ากว้างสว่างสวยอยู่แทๆ้ๆแต่ตากลับเห็นได้แค่เพียงสลัวเลือนเหมือนติดอยู่ในคุกแคบนั่นก็เพราะความมืดของจิตอันเปื้อนเปื้อด้วยบาปไม่อื้อให้หูตาทำงานได้กว้างขวางนักสังเกตเข้ามาในตัวเรายามประพฤติผิดในศีลให้มากแล้วจะพบว่าลักษณะของทุกทางใจไม่ได้มีแค่อาการโทรมนัสหรือเศร้าโศกอาดูนอย่างเดียว ยังมีรูปแบบความทุกข์ทางใจอีกหลายชนิดล้วนถือกำเนิดจากการไม่ยอมรักษาศีลทั้งนั้นแถมสั่งสมมากแล้วจะกลายเป็นโรคทางใจแล้วลุกลามต่อเป็นโรคทางกายซึ่งหมายความว่าชะตาชีวิตแม้ ด, ดีอยู่ก่อนก็อาจพังคลืนลงได้ทั้งหมดแค่เห็นว่าการไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลเป็นเหตุแห่งทุกข์มีโทษใหญ่ก็เพียงพอแล้วที่ผู้ปรารถนาความสงบใจ จะหันมาถือศีลให้มั่นตั้งใจไว้ลวงหน้าให้ดีว่าแม้มีเหยื่อล่อยั่วยวนชวนให้ผิดศีลเพียงใดเราก็จะไม่หลงกลอีกเลยหากมีเรื่องยั่วยวนให้ประพฤติผิดในศีลแล้วห้ามใจได้แต่ละครั้งเราจะพบว่าสติและความสว่างทางจิตจเจริญ ง, งอกงามขึ้นทุกทีกับทั้งพร้อมจะรับรู้อะไรต่ออะไรตามความเป็นจริงคือเห็นโทษโดยความเป็นโทษ เห็นประโยชน์โดยความเป็นประโยชน์ไม่ใช่กลับกันแย่งกับคนที่เห็นกงจกเป็นดอกบัวต้นเหตุของการกระทาที่ผิดพลาดอันนำไปสู่ความทุกข์และความเดือดร้อนนั้นทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากความไม่รู้ว่าผลของบาปมีจริงอีกทั้งไม่ตระหนักด้วยว่าผลของบาปเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทราบได้ด้วยใจฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า ที่สุดของความผิดก็คือความไม่รู้เมื่ อ, อยังไม่รู้ยังไม่มีวิธีพิสูจน์ทราบให้เชื่ออย่างถูกต้องก็เท่ากับยังต้องเป็นผู้ล้งทำผิดก่อความเดือดเนื้อร้อนใจให้ตนเองและผู้อื่นอยู่ร่าไป